ธรรมชาดกแผ่นที่แปดลำดับที่ยี่สิบสองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ส1สิบเอ็ดสิงหาคม2554ห้า้ห้าสิบมีชื่อเรื่องว่าพระจนภัยเรื่องผีมณีพระ ลงมาฉันส9มสบเกงดไปเกาองค์พระสี่สิบปดโดยมากบ่ลงมาฉันบ่พร้อมกันพวกคณะชาญญาตโยมมาใส่บาทรเนว่าพระสี่บปดองค์เข้าจัดของสี่สบแปดยังใส่บ่หมดโดยมากพระเป็อนอดอาหารก็มี่อดมาหลายวันฉันไม่ค่อยพร้อมกันบางทีก็อดเป็นสิบโองค์ก็มี่แต่ละมือ อดเปิดอภาวนาอดเปิดทดสอบทดลองคือกันกับเกาทํามาค้าขายเน่ะค้าขายแบบนี้เป็นยังไงด้วยบอค่ะข า, ขายแบบนี้เป็นยังไงเอาก็ะตรงทดสอบทดลองการทํามาค้าขายคนหนึ่งขายจะกหนึ่งรวยขายจะกนึขาดทุนอันนี้คือกันการภาวานาของเพิ่นอดนอนพอน อ, อาหารเป็นยังไง ชันอาหารมากไปไหนชันหน่อยเป็นยังไงเข้ามาตรวจสอบเลยมาทดสอบอย่างหน่อยไประเด็ความอดทนนะความอดทนก็คือต่อไปพ่ายภาคหนาเมื่อเห่ามีอุปสรรคในการเดินทางและมีอุปสรรคในการเจ็บไข่ได้ป่วยมีหมากไม้บางที่เห่าบริสันเ์เห่ไบริจินเข่าตามไปลาเวลาขณะเห่เาบกให้อดเคยหิวฉเฉลย มุเคยอดอาหารไปเลยเฮ้ากูโมโหไห้คนให้ไผ่ต่อไผ่คว้างตาไปมัดเพราะมันหิ้วเขา่าแต่ถ้าว่าเฮ้าเคยอดจรงจี่แล้วเคยอดหาวันสิบวั น, ส, ว น, ส, วนสิบหาวันกันมีปัญหาเกิดไปรถเตดบวะรถตายในกลางทางพวาเขาให้เฝ้ารถเพราะมันบ้เฝ้าเพรได้คล้องเสียเฮ้าก็ต้องเฝ้ารถเฮ้าก็ต้องได้คิดในใจเว้ยเมื่อเฮ้า อดอาหารสมัยเข้าบวชเข้าอดทั้งหลายหมือ่อมันเป็นยังดอกมนะันได้กินเป็นเวลาอีกสักน้อยก็ได้กินในตำนละนะอันนี้คือความอดทนใช้ได้ตลอดไปฝึกขัดนะการอดทนนะแต่พร้อมกันก็เป็นการฝึกขัดในการภาวนาพร้อมการภาวนาในหลักของกรรมฐานเนะี่ยเราต้องบอก สายอื่นอนะสายหลงปูหมันสายหลงตาลเรื่องอดอาหารอดนอนพอรอาหารอันนี้เกิดขึพิธีการดาเนินชีวิตของพระกรรมฐานกรรมฐานโมแมนสิอยู่แบบฟุ่งเฟ้อเหลือเฟือกินแบบอุดมสมบูรณ์โมแมนกรรมฐานนละกรรมฐานต้องเขียมต้องอยู่ในกฎกระเบียบกดหยาด ไปทั้งขอนขอนขางทั้งอดทั้งอดอยาบกนะันทรมานพอถึงกับทรมานมากมากหอกแต่ว่าท่าว่าเห่าบดจับมาใช้การใช้งานปล่อยให้มันอยู่ตามอําเภอใจใจของห่อมันก็ไปในทางกิเลสเป็นชวนมากนเะพราะนั้นต้องตลมหรือว่าดึงกระชากลากถูเข้ามาหาหนทางให้พิจารณาให้ไข้คุ่นทบท่วนนี่แหละ มันมีหลายวิธีการในการบ่มเพ่นทางด้านจิตใจบอมแมนที่ห้าเคยเหตุอย่างไรก็เหตุอย่างสั่นก็คือกันกันบห้องบ่บวชเนะ่ยห้องบ่อบวชอยู่จังไรมาอยู่ในวัดก็จะเหตุแบบสมัยบอ่อบวชมันกับบอมแมนผูบาอาจารย์เป็นสอนอย่างไรผพวห้าก็ต้องปฏิบัติตามบอมแมนที่เพลินบอแมนที่ลุงพอสอนผู้เดียวได้ให้พวกห้าอ่านตำรับตำราในธรรมและคิดของคูบาอาจารย์แต่ละองค์ หลวงปู่ลาเป็นเพศจังไรหลวงปู่เขาเป็นเพศจังไรหลวงปู่เทศเป็นเ็ศจังไรหลวงตามหาบัวเป็นเพศจังไรหลวงปู railroad, งป lit, งป่ฝนนันปฏิพทธาเป็นหมอมเพ่นตัวของพันเป็นจังไรมันมีมัดขนาดเพราะนั้นเฮามาเพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เขาต้องศึกษาเออในวัดของเฮ้าก็ทั้งสวนป่ารับใ่ก็ได้เป็นโฉนดแล้วแต่ว่าทั้งในเนี่ยก็ยัง ยังสงสัยกันที่มาตรวจสอบตามให้จริงที่ดินวัดของเฮ้าเนี่ยสมัยลงพอมาอยู่ใหม่นาวัดเนี่ยจะว่าเป็นสถูปหรือจะว่าเป็นเจดีย์หรือจะว่าเป็นโบสถ์ก็สุดแทนแต่เพราะว่ามันมันผุพังมันลั ก, กษณะกีดินอิดดินเผาน่นเาะเผาก็มันโมเมนเผาแบบแข็งแกร่งเลแถวเนี่็เคยมีบ้านคิริวงกก็เคยมี เรวก็นเนี่ยบัตรนักขาบใหญ่แล้วกวันนะคําบหน่อยนี่แหละแถวฝากร่างแถวหน้าตูเวี้งหลวงพ่อก็เคยไปเห็นเป็นจอมปวกนาวะเท่ากับลักษณะนั้นหลวงพอ่อมาอยู่ไหมหลวงพ่อก็เห็นแล้วก็ฝากร่างแถบนีคล้ายๆว่าเป็นเตา่าเป็นเต่าตีเล็กหนึ่งเป็นเตา่ายังก็บูฮนะูลักษณะเป็นเตา่าขึ้นเป็นตีกอเป็นลักษณะมีอิ คนหมู่ล้านเขาเจ๊องอาจจะเป็นเตาเผาสุกล่อหลอมท่องเขาโ่งหูบวัดของเข้านี่อแถวเนียว่าบานนักข่ำนักข่ำเนี่ยข่ำก็คืออย่างก็คือท่องข่ำนั่นแหละในหวยล่างนี่ยมีคนไม่ห ล, ล่อนท่องแล้วก็เหนือจากบานนักข่ำน่อยนไปเป็นหลุมคือเป็นสะนาม เ, เป็นหลุมใหญ่ๆโจรโกเจกเลกอย่างนัน้นก็คือคนหมูล้านเขาคุดท่อง พ่อพุทธทองไดีก็มาหล่อนลงในหวยล่างมันหล่อนหล่อนท่องก็เป็นอันวาในแถบนี่เป็นสถานที่หล่อนท่องของคนโบล้านแต่จะเป็นรุ่นใดพวกหูก่อนเข้าเกิดพเราอวะอันนี้เขา้าเบาเบาตามหลังเข้าเกิดถามผวกผู้เถาผู้เถาผู้แก้วเนี่ยเขาเกี่ยวเบามื ด, มดเขาพุดเป็นสร้างเป็นหลุมลงไปแล้วก็เอาดินขึ้นมาหล่อนมาหล่อดในหวยล่าง ที่การร่อนพวกผู้เฒ่าคนหนึ่เขาก็เคยร่อนขึ้นกันนอนท่องเฮ็ดแบบใดวันนี้ ไ, ไป <î> เอาไม่แต่เครียดมันเกิดเฮ็ดเป็นคึ้ไขกรบโบมเฮ็ดเป็นคือกละลมั่งตาขีาสเขาได้หันบ้านนีกิเลงไปเลืองมาเลิงไปเลืองมาวัไาไนไปเออท่องข้า ม, มานักเลยทองคํามมันักมันก็ยู่ให้กดกกะลมั่งชวนขีใสขีห็ดกระเด็นออกมัดนี่แหละ อันนี้คือวันล่อนท่องแต่ในวัดของเฮ้ากันเนี่ยมีเจดีแต่สมัยก่อนเมื่อเข้ามาสร้างวัดเฮ้าเขาบริครอบคล้องทางพุทธได้ทั้งพุทธเฮ้าบรท่านดได้เลยพราะทางเขาก็เห็นถนนมาถกถนนผ่านหน้าวัดมากเขาก็เห็นจอมปวกคนสมัยนั้นคันหัวเห็นโบสถ์ห้างบสเห็นเจดีห้างหมดเลยเขาเล้วเฉื่อยเด้กมาขุดปรจักษักเถื่อแล้วทาไป มาคุดหาของโดยมากคนหมู่ล้านเขาฝังพวกเพรนิ่งจินดาพวกเครื่องท่องเครื่องยองเครืองเงินเครื่องทองเขาฝังใส่สะดือโบสถ์ ะ, ะืสอสิมะนะสะดือเจดีย์ยังจนะะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลบูชาพระพุทธเจ้าพระทำประสงค์คนโมรานเขาถือกันคนคนขุนเห่นก็ยังถือกันอยู่อันนี้คนขมากุดประจกักษ์ประซกเถื่อขึ้นกันวันนี้พ่อแม่โคมาสมัยเห็ดถนนสายนีวัน พ่อแม่เขาก็เห็นหันเกิดแม่คโค่ทั้งแทกเตอร์เขาเกิดไปคดนะคดหัวกระจุยกระจายมัดนะ่ะมันกระบอแมนสิดไ่สิโตน่ะไปะแต่ก็มีบริเวณอยู่หลวงพ่อก็ได้เห็นเห็นอยู่นี่หมองเขาคุ้นเป็นลักษณะจอมปวกจะมากกว่าแต่มันมีอิจฉาหั น, นแต่จมปวกใหญ่พ่อสมพวร อ, อยู่พอถ้าเขาเคลียออกมาอะไนี่กระจุยกระจายฮะต่กอนเขาก็บอกผี ีหายแล้วกันไปคุดบดขุดซิมเลยแต่ เ, เขาบอกว่ามองได้ผีหาหายเอาแท็กเตอร์ด้สัเนเอาแทกเตอร์ไปต่าดสันผีย่านแท็กเตอร์ว่าสันว่าพ่อไปไปหูใช้จอมปวกไปหูใช้พ่มองผีห้หายหน่อยผีแลนนี้มัดนอยันเ่เขาว่าเปไน็นในผีเอามือหูหูแต่มันก็สูแท็กเตอร์อะไวนปเออกาลัางผีสูแท็กเตอร์นะตาตาใสาหมอบ อ, อีต่างหากว่าสันผีมันบกเข้เห็นได้แทกเตอร์นป กันมองได้ผีหายหายมองตรงหน้าหายหายมองได้จอมปวกมองได้มองได้ผีหายเลยเขาออเอาเตจเตอร์แนะม็คโคดไปคุดกัไ ป, ไปอันนี้สมัยนั้นก็คือที่เป็นสันเขบงหูเหลยวะว่าเขาก็คุดกระจุยกระจายก็แต่ก็จุยกระจา ย, จยไปจะเป็นใดอย่งก็บไดอย่างเขาเขาบงจักขึ้นกัน่ของเข้าบดได้สนใจเพราะมันดูนอกวัดเท่าสมัยนั้นมันผ่านเขาไปกลางกลางในระวางวัดของเข้ากับจอมปวกหรือว่า เออที่นั่นแหละจะว่าเจดีเดียวเจวาสิม่าแล้วเจะ ว, ma, วจะวยังกระโูงจักษ์ล่ะมันตรงขามกันแต่ว่าทาั้ทงในทั้งไฟผีก็มีมันลักษณะเต่าทั้งในนี่แห ล, ละสรุปแล้วก็คือขนคนมาอยู่ก่อนเท่าเลยบัดเนี่ยบาดแห่อยู่ทางในบัดเนี่ยเขามาอยู่ทางในไปเบิ่งก็มีเฟื่ององเฟื่องไหเฟืององค์หินโบล้านเต็ไมไปวมดในในัดเท่าเดี๋อวแถวีแถวทั้ง กวามือหรงพอ่อเนี่ยเป็นใจแต่กแถวปาซักนะแถวกุฏิของทุนกระหม่อมแถวปาซักเท่านั้นมีเฟืองไฮเต็มเมื่อเห็นที่กขาพื้นดินเป็นธรรมดาแนละ้วแสดงว่าแถบนี้เป็นบ้านพักของคนโบราณอยู่แล้วก็มีป่าย์ปสู่ปุรีก็มีเป็นป่ายปูนนะเป็นป่าย์ปูนกาปูนดินเผานะ่ะคนโบราณเขาเกิดขึ้นที่ขี้ ข, ข้าหามไปต้องกลัวอยู่มั้ง เขาก็เอาไปเนี่ยเอา ย, ยายาดหยาดเขาก็สุนแต่เบิงเบิงกับคนโมรานเบิงคือยังมันปากหนาปากกว้างอยู่เบิงเบิงไปบุรีเวณไจะเหตุคนแบนแบนคนือคนคูนน ม, มือในบอ่อได้เหตุอุดรูดโยนออกไปเฮ็ุโจโง่ขึ้นยังงบปุ ม, มือเฮาเนี่ยออกไปเพอเพยังมีขอบอีกทางหากักมองสูงบบริคนโมรานเ น, นี่แหละอันนี้คือบอกให้ฟังคือทั้ง น, งนี้ทั้งนั้นก็คือหลวงพ่อเห็น เห็นในคณะที่ลุงพ่อไม่อยู่เหนียวเนาะไปลุงพ่อก็ยืนยันได้ว่าเป็นยังสันน่นเนาะไปแต่ก็พวกผู้เฒ่าผู้แกก็ได้เห็นน้ากันพวกผู้สางวัดพวกตูขาพวกตูแวนตูเดือนเห็นวัดพวกผู้เฒ่าแต่จะว่ายืนยันว่านี่เป็นวัดบ่มั่นใจว่าเป็นวัดแต่ว่าพวกพุทธลูกอาจจะไมีคนเอาไปรุ่นเกขาอาจจะไปแล้วก็ได้ แต่ว่าพระพุทธรูปย่บันนักขม ย, ยัยในโบสเขาก็โบกจักอกันว่าวัดบ้าน ข, นาข้างหน้าขมยัยเนี่ยสางสมัยใดกระโบมีหูปุ่นเองโบมีพระหูคือกันบอกท่านเองคือบอกมันเกิดก่อนเท่าเกิดก่อนเท่าเกิดเกิดก่อนกลุนปูหลุ น, ล น, ล น, ลนตาเกิดแต่แม่นหลวงปู่จา ม, มาโยโปานะูปงยังกะจีบอยฟั่งหนากะจีบอยอยังเกาะระเจ้าอยังมาแต่งงานกับนั่ง ลูกของพระญาเวิยงจันทร์สมัยนั้นซื่งว่าจังไหนเนาะประมาณหกรอยกว่าปีเดือนนี้บนว่าจากนี้ไปประมาณหกรอยกว่าปีปเจ้าเมืองเชียงใหม่มาแต่งงานกับนางเมืองเวียงจันทร์สมัยนั้นเวียงจันทร์กับเชียงใหม่นี่ยจะเลิศดวงเดืองมัดจะเลิศมากในยุค น, นั้นแล้วกัต้นไม้ซักนี่เอามาจากเมืองเชียงใหม่นี่เอามาปลูกแถวเนี่ยเอามาปลูกแถวเมืองเวียงจันทร์เนี่ยตะกอนแบบมีดอกไม้ซักแถวเนี่ย เอากามาสักมาปลูกนะสงสัยเมืองสีเชียงใหม่ในหลวงพอ่อคงจะเอามาปลูกสมัยนั้นมั้งไปไม่ไปเจ้าอม่อย่างที่เป็นมะเป็นลูกเขยของเมืองเวียงจันทร์เชียงใหม่กับเวียงจันทร์เป็นพื้นแผ่นเดียวกันเพราะว่าปกครองดูร่วมกันอจากจะมาจากเมืองเชีงยงใหม่มาจากเชียงรายกันลองโคงมาหลดมาขืนเวียงจันทร์มาขืนหลวงพ่อบางคนะ่ะลักษณะศรัท ก็นั้นสมัยก่อนเป็นยุคที่เจริญพอสมควรอยู่มีพระพุทธลูกยู่บันเหี้ยนะมันกนิ ร, ริวงศกฏน่ะพระพุทธรูกของเบิ้งกับเป็นพระพุทธลูกเล่านะวะอ่ากมีหลวงพ่อไปภาวนาอยู่สองหมงคือกั น, นหมองหนึ่งก็คือวัดเกา่าวัดเดี๋ยวนี้แหละแต่ว่าหมองหนึ่งมันมีอีกหมองหนึ่งอด็กเองมันอยู่ทางทิศเหนือของมูบันบกนิริวงศกฏมีต้นไ ม, ม้หมอกวงใหญ่หมอกมวง มวงใครเนี่ยคนประมาณสักสองถึงสามโอบปุนะต้นอยู่ใกล้ๆมองโบสถ์เบิ่งๆกับปิตยานผีเยูะได้สมัยนั้นแต่ลงพอ่อไปหามองมองปิตยานจายานนะไปหานางพาวนาสมัยก่อนคไปขันมองได้มองโบสพีผีประสาบามองพีไฮไฮคอสัลงพ่อจะไปหาอยู่หม่องจังสันแล้วนลไปเนี่ยยังบ้านวังแค่นี่ที่กัน บ้านมังแข่เขาก็ว่าโปงแดงไหมทุกคนผีหายต้องขนาดเนีหลวงพออ่อเห็นเด็กหน่อยคันเห็ดพิดอย่าเด็กน่อยไหาในแร่นคอในปลานหน่อยจนไอเอาหัวหมูเอเป็นไก่ตัวออกมาเลยไปเส้นไปสวงอะไรเยค่อยเห็นอะหลวงพ่อกับไปเนี่ยแหะไปอยู่พูนีบ้านสมัยน้องประเดึกเพิ่งตายอลไรลรือเ่าบ้านมังแข่พ่อไปหอดเขาก็ไปนั่งนั่งเขาก็ปนกาถางปลาแล้วก็ยานผีมันบมดเลย เยขายานได้เถาวันยานอีทีได้ยาผีหักข้อไปหลวงพ่อ น, นั่งอยู่เกิเห็ดไหมไหมหัหมหเลยหายหาโพสิเห็ดถางปลากรบอกมีปะเนี่นั่งจุกปงจังปังอยู่เอ้าเอาทางปลามาเขาก็บกกาทางเออหลวงบอกว่ามันแมนเขายานผีตัวเนี้ยว่ะหูจักบาดหลวงพ่อเออว่ไปยังมากระพงอ่ะเออมันมีอย่งหลวงพ่อรับรอง อ๋อพวกเขา้าถางทําความสะอาดบาว่าผีบวาว่เทวดาบาว่ามนุษย์ล่ะบวาวพาต้องการความสะอาดทั้งนั้นแหะเข้าบกถางทําความสะอาดเขากับปดาให้่ถางต้ตนไม้ใหญ่แน่ถางแต่ต้นไม้น้อยกวาดใบไม้กวาดกี่เหอะลยเห็ดเป็นทางไปน้องกันสามองค์ล้วไปหลวงพ่อปอยู่มองกันละมองที่เขาว่าเขาเสซนสวงผีนะมันมีงามไม้แดงยืนฝากห่วยมันหรือปล่าน้ำมันไหลผดผดผดผดหยุมาเน่ เอาน้ำอะไลจากน้ำน้ำใสมองหันว่าน้องป๊น้ำอะไรขึ้นมาจากพื้นดินมาจากใสกระโบว่ะมันมาจากผู้ฟาผู้น่ะฝากไปทั้งพุน่นน่ะเอแต่มันไหลหมดพื้นดินมามันออกจากพื้นมันไหลพุดผุดโอ้เป็นตะเข็ดอยู่แด้อหลวงพ่อกับแปะเอาหลวงพ่อไปอยูุ่ห้านพุ่นละว่ะมันมีต้นไม้เปลือยใยแล้วก็มีป่าสงเสงสูงว่าน้องแป๊หลวงพ่อก็ย่างไตาขามไปมองที่เขาว่า เขาเซนสวงนั่นะหละเซนเซนผีนอไปเซนผีป้าเซนหัวหมูหัวไก่หัวหมูเหล่าห้ไกลโตนะมันก็เซนสวงมอนไปลุงพ่อก็ย่ามึนพอย่ามันขึ้นมาลุงพ่อก็ย่านขึ้กันแน่นอไปบานเนพ่เขาเมื่อมดแล้วนอไปโอ้หผีมันมั่นออกกูคักนะมั่งบาดเนี่ยขึนย่านนอนนอไปองค์หนึ่งไปยุคนเราหมองกันอยู่คนละทางกันแตลุงพ่อไปยุหมองหมองหันนอนไป ว่าใน้องพ่อก็เดินอยู่กรมแล้วเดินโยกรมมัดเทียนไปเหลี่มหนึ่งสองเหลี่มสามเหลี่มมันออไปเอเทียนมันกระบอกไปหลายได้เทียนของจะไปไหลน้มันหนักไหม่ะท่ายไปกันสีใส่หลายก็อย่ามันมดอยู่หากระบอกมาไตกระบอกก็คือมันย่างเอาขีดคนดอกใส่ใส่ใส่คอนหนามันย่างใส่จุดจุดเลยมันใหม่ไปเอาไม่เคี้ยวๆๆออกมันก็ลุกกระพ่งเดินอี เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปผมว่านชักเทียงถุงพกถุงก ว, กว่ามันก็เมื่อยแถวบานเนี่ยตีหนึ่งตีสองก็ไปแล้วโอ้บอกไหวขึ้นไปนอนงไปนั่งพระวนาไหวพระแผ่เมตตาจังไหนก็จังไหนแหก็นั่งแผ่เมตตาทั้งไหวพระแล้วก็นั่งพระวนากับแผ่เมตตาขอสัพพสัตทงังไรผูมิมะลูกค้าเทียวดาอนุโมทนาจัมปุขาเนาะปุขาโมเนม่าเอาหวังเอาทรัพย์ในดินสินในนา บริมาเอาแพ่เอาชนะผู้ใดทั้งหมดมาเพื่อพ่อวานาหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารผู้ขาดหวังพ้นทุกข์ในวัะสงสารในชาตินี้บริมาเอาแพ่เอาชนะผู้ใดทั้งหมดเถพระเจ้าเล่าเทวาทาั้งหลายลงพอกเว่าแนใจว่าเอาไปเจรจาก็ น, นั่งพ่อวานาเอาไปมากกันอยากลับเพรมันเมื่อมนยังหมนุนเวียนเกิดเหตุมงนั่งเหตุมงพักพอยแหน่ะ เอาไปมากกันลับในตัวไปเนี้จะมารับทางไหนก็พูหูวตือถหรือมามอื่นบินบาทมือสองไ่มันยังพท่านเศ้ายานอยู่ในใจอนไปแต่ว่าทาทหารอได้ทางนอกคนไปทางนอกเอาไว้ทาทาบวย่านในานยังวานไปแต่ว่าในใจตบตับตบตบต้กันนอนไปพอคืนที่สามนไปพอคืนที่สามนั่งเพ่านาาเลยจึงกรมนั่งเผาหน้าแพเมตตาว่าจะเห็นคือกำกันกับคนอะไรไป ยางเป็นสายขึ้นภูเข า, า, าไปปลายปวกตะกงพวกตะกาพวกไข่ข้าวขนของยายบ้านานัง่ละพอนไปยายบ้านขกว่าคุต้องพอจำเรื่องเม่คูมือนาะอนจะวารับก่ามันชิว่าฝันก็บโมเมนพราะขับขับขับายขับค่าเนาะพอนไ ป, ไปพวกเขาขึ้นไปโยงยายมองไปขึ้นโย้พูดให้คูบาอาจารย์พันูซ่าเนี่ ตอไปมันก็จะเป็นบ้านคู่บ้านคน้นละเข่าขึ้นไปอยู่ทังสูงสูงซะสไปอยู่มองผู้ก่อพวกเข้าขึ้นไปค้นก็ประมาณนจะเศร้สาสามสี่เป็นระเบิงเนี่ยที่เขาทั้งกระบุงกระตาทั้งหาบทั้งค้อนกันไปทั้งเด็กหน่อยผู้ใหญ่กันก็เลยขึ้นไปเข้าเขาเลยตื่นขึ้นมาเข้าโอ้ผู้มาลูกค้าเนี่ดีหนีจากหม่องหรือแหววันไปอยู่ทังผู้ระบาดเนี่ยมองนี่ บมมีอย่างหน้าบ้านเบ้านนั่นแล้วห้าวก็เลยยูหันฝนกต็ตกอีกต่างหากคนไปพออยู่หันเรียบร้อยลเลยก็พอห้าวจะออกไปเหือนห้าก็เลยใหายไปบ้านเพิ่มพอใหญ่บ้านเพิ่มเ้าก็เลยบอกกับเอ้ตัวไอ้กันชีเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็บเฮ็ดไตไ ด, ไ ด, ดบ้บ้านานี้ปะเขาหนีมาดละล่ะพอใหญ่ขึ้นไปทั้งสูงแล้วล่ะพรมมาลูกค้าตู่เจ้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็เฮ็ดไตได้ไหมก็เจ้าก็เลย เหตุใดเหตุหน้ากับุ่มีอย่างบ้านก็เลยมุมีอยังต้องม่มมีอย่างสุ่นกระเจ้าวอนนึงไปแต่กอนโอ้ยเขายานคักยานบงหันวอนนไปนี่แหละอหลวงพอ่อเคยไประยูจะได้หมองเข็ ด, เ ค, ดเค็ดวันนึงไปเนี่วานปรยูอ ย, า, า, นะยากหันก็ไปรยูมองที่ว่าเนี่ยนะเป็นโบดนะ่ะเขาวันนี่แล้พระเคยไปรยูให้าลาังเทือก็น ห, หนีกลางคืนก็นมีวันไปอลางเทือไปคุดหาของร้อยบกก็มีนะเจ้านั่นนะ ตาว่าาข่าวบอกคนเก่าๆหลวงพ่อก็ไปหลวงพ่อบมเ็นที่ไปหาหวังแนว่ยของฉันเนียไปก็ไปนั่งพ่อวนานี่แหละไปนั่งมองโกกัวเขาเนาะไปตามวานจีมันก็แปลกขึ้นกันเล้คั้นว่าเข้าไปในสถานที่ใดเนี่ยขั้นเข้าเข้าไปในสถานที่จะเป็นป้าซ่าก็ตามจะเป็นป้าธรรมดาก็ตามเข้าไปปัญสถานสถานสถานสถานในใจเขาเนาะไป เออมันไคร่ไข่เพรามันสัทฐานคร่ไข่เพามันกลัวเขาคมเมนลว่ามันกลัวอันนึงคอมมแต่มันมองมันหนาเจมี่อยู่ไปว่ามันหน้ามีเอียงแต่มันฉะทานในใจเออมองเจอหน้าพาวนาดีเลยไปมังนางพาวนาโอ้ดีเออมันได้ร่วงตลอดเลยเนาะไปแปลว่าคอมเนเป็นนักมวยคอมเนเป็นจ่ออยู่ตลอดเวลาเนาะไปจากใเหม่งอยู่ตลอดอันนี้คลิกกัน เออเข้าจิเจาะในสมาธิของเข้าอยู่ตลอดเลยวันไปคือบวชให้มันบวให้มันเผลอเลยวันไปเอปอแปลว่าพุทธโธอยู่ในใจตลอดเลยวันไปเบื้องใจของเจ้าของตลอดเลยบวชให้มันเผลอวันไปนี่แหละจากนั้นฮะจิตใจก็ได้กำลังเลยเอา่าเพราะว่าเข้าเข้าอยู่ในเจ้าของอยู่ตลอดคานาวะมองไดไปบม่ปนนบมีแนวยาน่ะไปนอนเอกคเนเอกอะไรบ่มีแนวยานอะไรบไรแหละ กี่การหอวพาวน่าบาดมิถะกินกับน้อ น, นไปขั้นไปยูหมองได้ทียันญ่านเอาปั้นกับเป็นอิลีดได้บาดเนี่ยพอดไปยูมองจังสันนะี่ะการทว่าหมองมันสะทานสถานสถานสะท้านเนีน่ยนะขั้นคำว่าเผล่นอนแบบ ม, ม้มีทามีทางห้อยตอนที่เคลิบเคลิบเ้าลงไปมันแสดงให้ป้าโคตรแล้วบ่ได้เด็กก็แนวหนึ่งขึ้นมาหน้อยตื่นพโพโบไปเวกขึ้นมายางแห้ง ทั้งทั้งรับทั้งตืน่นเอาไปนี่แหละเสียงโนีหลวงพอ่อเคยพนันๆมากขึ้นกันในการไปอรยู่สถานที่ต่างๆนี่แหละอันนี้ก็คืยยังไปอยู่ทั้งบ้านน่าคำหน่อยเลยขึ้นกันก่อนที่มาอยู่เนี่ยหลวงพ่อก็ไปอยู่นะตุนให้เลยขึ้นกันนตุนให้ไงเขาก็ว่าผีหลอกเก่งขึ้นกันนะแถวนั้นกันด้ดยมากให้บ้านเขามองได้ผีดอก ผีไห้ฮเขจะให้ผ้าเนี่ยพระกรรมฐานพระป่าเนี่ยเขาไปยูหน่ะไปเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยไปใส่เนี่ยเขาจะ้าไปมองหันแล้วมองพีไฮไหมองมันเค็จๆของมู่บานแล้วก็มีแรงน้ำอีกเด้โดยมากหมองจังสันมันจะมีแรงน้ำพร้อมมันจะมีเป็นปลาดงเขาจะโบตัดโพถางบอกแพร่ขพทางอีกต่างหากคนไปอันนี้ก็คือการไปเที่ยวพระไปเที่ยวทุกดงแสวงหาพระ ไปแสดงแสวงหาการปฏิบัติถ้อไปสแสวงหาหมองกลัวๆยัยนยันบางทีกันดานชาวบ้านเขาบอกว่ามองหันละมองผีไหายแต่เขาปก่าเบาแห้งเลยเขากขยานขึ้เขาลงไปอพอเหตุได้เพราะใครๆกับว่าเอาหมอถ้ำไปไล่ผีเน่อไปบ้านามหมอถ้ำนี้นะผีมันจิมาบีบข้อเขาเน่ะเขากขยานขึ้นสันขึ้นกันโน่นไป เขาก็บอกมุ้มมามาผุมมุ้มมามาฝนอไปนี so, well ่มบนคู่บ่ายจานปอยู่มองหันมองนีห้องว่าหรอกว่าหลวงพ่อก็เออเนี่นแหละไปเขาก็จัดเห็นเป็นห้านขึ้นมากสูงประมาณจากเพียงแอลเนี่ยแหละกว้างประมาณจากว่ากว่าเอาใหม่ไผมาซับซัปูเป็นฝากแต่ก็ให้เป็ดใหม่บองคางแต่ป็พักกดบอกมีฝาเด็กบอกมีฝาบอกมีอย่งเอาใหม่ ดันทั้งหัวไว้บอให้หมอนบอยหมอนกิ่งไปตกคนลงไปเห็ดเท้าวะั้นน้อยเลยนั่นแหละเห็ดหมองนางพาว่าน่ากลางเว้นมากันยุ่งกัดกลางหมูกันหมูไม่ยุ่งกนั่นแหะโดยมากจะจุดไฟไปเห็ดไฟกองในหน่อยไว้ให้มันไลให้เป็นควันคนลงไปควันไลยุ่งไลยังแต่ทาบดบดสุมให้แห้งเลยสุมให้พอเป็นควันเนี่ยนี่แหละลงพอน่ะเคยอยู่มาก บาานี่มาอยู่กุฏิแบบสบายสบายลงพอก็เคยลงพอเคยอยู่ถูกอยู่ยากมา ก, กเคยเดินบินธบาติมันเป็นไกลเนี้บ่าดเนี่ยตั้งสามสี่กิโลกันเนีอพอแจ้งเยอะมากก็ไปขนาดไปอยู่มองหันนะฝนตกนี่ฟ้า น, ฟ, านฟ้าน์เก่งเก่งแม่ม่านนะมันมโหจากหดขนมันโมโหจากอดผ้ามันไปต่กอนมาเห็นแต่คนเลยใชยเห็นขนมันแลนก่นไป บ้าน่ะมันเห็นผ้าในยางโดยๆก็มากมันอยู่ในหนากุติผ่านน่องทองมันม่านเท็ดเอเล่เยอะเละทองแม่ฟันแมวม่านมันม่ายังเบิงตาพพับพับพับฟันมันตาใหญ่ได้เป็นบุหรีมันก็ะพับหูยกยากยกยากอยู่เอยผ้าพิงกันเลยอ้เมื่อมาอย่างเนียวแต่มันยังคอยกระโดดจุดไปวนลงไปเออฟานมันบุ๋จักขดคนเนีเนี่วแถวหนาวนลงไปเนี่ยแหละบ้านบังแกสมัยนั้นสมัยสองพันหาร้อย สนะิบหิเจ็นะอลรัพ่อในตนนีนะกันเอาไปหลายเลือองลูกหลานหิ้วเขา่าว่ะ